เพราะเขาเน็นทธาเสียใจมันปีรถชาติใช่ไหเป็นสุขเพราะสรเสริมมีไหมเป็นทุกข์พรเน้นทธอมีไหมบัญญัติเอามีรดชาติเนินทธาก็ดีจเสียใจสรเสริญก็ดีใจได้มาก็ดีใจเสียไปก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆมันบัญญัติเอาจริงภายนอกมาห้อยมาเขียนไว้กัใจล้วเอาใจเราไปห้อยเขียนกับจริงภายนอก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 ไม่ใช่แบบสมมุิทั้งธรรมะด้วยทั้งส ม, มุิด้วยมันมีสมมุติอยู่ในเรามันมีประมัดอยู่ในเราสมมุติคือบัญญัติเดาว่าชอบว่าไม่ชอบเพราะวัตถุภายนอกภายในบัญญัติเดาว่าของจริงถ้าเราลักก็ลักจริงๆถ้าเราโกรธก็โกรธจริงจริงาตามความรักทำตามขวงโกรธผมว่าเดียนตอบไปเท่านี้อาจารย์ก็ว่าอนุโนาเลโยมเชื่อกาเเ้ย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 เรามาเขียนเป็นวัดป่าสุโตที่จริงมันวัดเอราวัณและคนส่วนมากเรียกสุโตเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มาดีไปดีอยู่ดีปฏิบัติ ด, ดีนะ่ะส่งแล้วการพูดการพบกันทุกวันนี้หมายถึงสอบอารมไม่จำเป็นต้องให้ไปถามเป็นตัวเป็นตัวไปเราสอบเอเองเราตกต เ, เองเราผ่านเ อ, เองถ้าเราเห็นกายอย่าเป็นไปกับอาการทั้งหมด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 พอเอาไปขิดยาขึ้นเตียงหมอเอาเข็มยาโดดลงเตียงนาทีวิ่งออกประตูไปเยืนอยู่นะ้าลงไปาบานลานยาขี้มือแต่วมันจะฆ่ากูเลยนะ่ะกูไม่รู้นะถ้ากูรู้ไม่ทันมันกูตายแน่นอนอะไรขี้มือขี้ไม่อยู่โวยวายโว า, ามากโกรธหลงพ่อด้วยมากโกรธหลงตาด้วยว่าอาจจะเอาให้เขาไปฆ่าอะไรไปพูดทําไงดีหมอหม อ, หมอบอกว่า